เรื่องที่23ถูกกระทบในวงราชการบ้านนอกเขามีมนอยู่บทหนึ่งซึ่งพวกนักเลงชอบมากเฉพาะอย่างยิ่งนักเลงย่องทั้งหลายไม่ว่าจะย่องเบาหรือย่องเข้าหาลูกสาวเขาก็ตามมนที่ว่านี้คือมนใส่กุญแจปากหมาซึ่งพ่อครูผู้สอนมักจะบอกว่าถ้าเสกมนบทนี้แล้ว แม้จะเดินเหยียบจมูกหมาไปมันก็ไม่เห่าเขาว่าอย่างนี้แต่ความจริงก็เหลวต่อให้ทั้งเสกทั้งสวดจนคอแตกหมามันก็เห่าถ้าหมามันเป็นหมาสามัญธรรมดาเรื่องการที่คนอื่นทำอะไรกระทบเราก็เหมือนกันคือห้ามเขาไม่ได้ไม่มีวิธีห้ามและไม่มีเวทมนต์กลคาถาบทใด ที่จะบังคับให้คนอื่นไม่ทำอย่างนั้นกับเราหากเขาจะทำส่วนคนที่เขามีนิสัยไม่กระทบใครเขาก็เรียบร้อยของเขาเองไม่มีเสี่ยนมีหนามในตัวที่จะเป็นภัยแก่คนอื่นนั้น <c oughs> ก็เป็นความดีของเขาเองไม่ใช่เพราะอะไรสําหรับคนที่มีเสี่ยนหนามในตัวเท่านั้นที่เราควรระวัง โรคคนประเภทนี้เป็นภัยแก่เราในทางทำลายความสงบใจเหมือนเราเดินอยู่ในป่าต้นไม้และเถาวัลย์ที่เราควรสนใจระวังก็คือที่มันมีหนามแหลมถ้าไม่ระวังประเดี๋ยวมันจะทิ่มเอาเจ็บตัวเปล่าๆการแหวกว่าอยู่ในสังคมก็เหมือนกันต้องคอยระวังคนที่มีเสี้ยนมีหนามเพราะคนประเภทนี้ก็ทิ่มแทงเราได้ สังเกตดูหลังจากพูดพบหรือติดต่อกันแล้วมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกกระดักใจขวยเขินบางทีอาจถึงเจ็บใจจริงๆก็ได้ไม่ว่าจะปราศัยป้าถักถาอภิปรายและแม้โต้อตอบทั้งด้วยวาจาทั้งด้วยเอกสารลายลักษณอักษรเป็นต้องปล่อยให้หนามงอกไว้เสมอ เพราะฉะนั้นจะอ่านจะฟังจะคุยเราต้องระวังตัวเอาเองถ้าจะพูดข้างระวังยากกันแล้วระวังคนหนามยากกว่าระวังต้นไม้หนามเป็นไหนไหนเพราะต้นไม้หนามแม้ว่ามันจะมีหนามมันก็มีกะที่มีอยู่ที่ต้นของมันแม้จะตกไปไกลต้นก็เพียงเล็กน้อยใครไปเหยียบเข้าชนมันเข้า จึงแทงเอามันไม่เคยที่คิดไปเที่ยวหาทิ่มแทงใครตามอำเภอใจแต่คนหนามสิเล่นอยู่ไม่เป็นที่ไปเที่ยวแทงใครๆได้ทุกขนทุกแห่งทั้งในบ้านในวัดแล้วก็ชอบสลัดหนามของตัวให้มันร่วงลงใส่ไว้ในหนังสือเล่นบ้างหนังสือพิมพ์บ้างในแผ่นเอกาสารบ้าง แล้วก็กระจายไปเที่ยวแทงใครๆได้ทุกหัวระแหงผมถึงได้บอกว่าคนหนามระบังยาที่นี้พูดเข้าหาสำนวนทางธรรมะกิยิยาที่ผมใช้คำว่าแทงนั้นเราพูดกันว่ากระทบมากกว่าบางทีก็ใช้คำว่ากระทบกระแทกหรือกระทบกระแทกแดกดัน ชื่อเมื่อรวมความแล้วคือมีคนอื่นเขามากระทบเรามีหลายวิธีด้วยกันผมเองไม่มีนิสัยในทางทำอะไรกระทบคนอื่นเลยจำไม่ได้หมดว่าเขากระทบกันอีท่าไหนบ้างการที่เราถูกคนอื่นกระทบแล้วเจ็บใจมากนั้นเป็นเพราะเราเองออกรับเสียมากไปคิดเอาว่าเขาว่าเราเขาทำเรา เขาด่าเราเขาฉีกหน้าเราเขาย่ะเย้ยเราเขาดูถูกเราคือเอาเราเข้าไปรองรับการกระทบของคนอื่นปากก็ว่าเรารักตัวเราแต่ทำไมชอบเอาตัวเราออกไปให้คนอื่นเขาทุบตีเอามากมายนะักก็ไม่ทราบสำหรับผมเองคิดหลบไปอีกรูปหนึ่ง ขอโทษด้วยที่ยกเอาวิธีส่วนตัวมาเล่าซึ่งความจริงก็คือวิธีประพฤติ ธ, ธรรมก่อพระพุทธองค์นั่นเองคือผมนึกถึงคนตีกลองคนตีกลองนั้นเขาถือคอนแล้วก็เหงือขึ้นหวดลงส่วนที่จะดังหรือไม่ดังดังมากหรือดังน้อยมันอยู่ที่กลองถ้ามีแต่คนกับคอนถึงจะหวดเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ดัง แล้วถ้าไม่ดังใครเขาจะมีแกลจตีตีเขาขยันตีก็เพราะกลองมันขยันดังตีเท่าไหร่ดังเท่านั้นคนตีเขาก็ได้ใจตีเอาตีเอาถ้าลองไม่มีกลองอยู่ตรงนั้นสิจ้างเขาก็ไม่ตีเขาก็มีแต่จะเร่ไปตีที่อื่นไอ้ที่ตีแล้วดังลั่นเขาก็ยิ่งชอบนี่แหละครับ คนที่ทำอะไรกระทบคนอื่นหากจะเปรียบก็เหมือนคนตีกลองเท่านั้นคือมีแต่ความคิดที่จะกระทบคนอื่นและวิธีกระทบเหมือนคนตีกลองซึ่งมีแต่ค้อนในมือส่วนผู้ที่ถูกกระทบก็เปรียบเหมือนกลองคือคอยดังเมื่อจับเคล็ดได้อย่างนี้แล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นว่าก็แล้วทำไมเราจึงจะ เป็นกล่องให้เขาตีเราเราไม่ใช่คีย์ค่าของเขาเขาก็ไม่ได้มาจ้างมาวานเราไว้พอคิดอย่างนี้แล้วก็จะเห็นทางเอาตัวรอดเลยทีเดียวคือใครอยากกระทบก็ช่างเขาเราไม่เชิดตัวออกไปให้เขากระทบเป็นใช่ได้แต่การที่จะทำอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องอนัตตาพอสมควรเอาแค่อนัตตาอย่างชาวบ้านเรานี้ก็ได้ คือย้อนกลับมาดูตัวเราว่าตรงไหนที่เป็นตัวเราทำไมพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เราพิจารณาเรื่องอนัตตาคำว่าอนัตตาเราแปลว่าไม่ใช่ตัวตนคือหมายความว่าสิ่งต่างๆที่เรารู้เราเห็นอยู่ทั่วไปตลอดจนผู้คนและสัตว์ทั้งหลาย มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบหลายๆอย่างแล้วเราก็สมมติเรียกกันอย่างนั้นอย่างนี้ครั้นสมมุติขึ้นแล้วเราก็ติดสมมติเอาเป็นจริงเป็นจังในสมมติมากเกินไปเพื่อชี้ให้เห็นความหมายของอนัตตาง่ายในคราบรรยายทางทารทัศน์ผมนำของไปแสดงให้ท่านผู้ชมได้ดู2ออย่างคือ ฉลอมไม้กวาดกับกระทงใบตองวัตถุที่เราเรียกว่าฉลอมนั้นถ้าดูกันให้ดีแล้วก็จะเห็นเป็นว่าเขาเอาตอกจํานวนหนึ่งขัดกันเข้าให้มีรูปป่องๆแล้วก็สมมุติเรียกว่าฉลอมถ้าเราชักตอกเหล่านั้นออกจากกันเสียฉลอมก็จะหายไปกับตา ก็ยังอยู่และน้ําหนักก็เท่าเดิมแต่ว่าชะลอมหายไปเพราะฉะนั้นคําว่าชะลอมเป็นคําสมมติความจริงชะลอมไม่มีกฎอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าอนัตตาวัตถุที่เราเรียกว่าไม้กวาดนั้นใครๆก็คิดว่ามันเป็นไม้กวาดแล้วก็รังเกียจว่ามันเป็นของต่ําบางคน ไม้กวาดใหม่ๆแท้ๆก็ถือคือมีใครเอามากระทบก็โมโหโทโสแต่ถ้าดูกันให้ลึกเข้าไปอีกนิดเดียวเราก็จะพบว่าไม้กวาดไม่มีของที่เราเรียกว่าไม้กวาดนั้นที่แท้ก็คือเส้นย่าหรือทางมะพร้าวจำนวนหนึ่งที่ถูกวัตถุสิ่งหนึ่งมัดรวมกันเข้า ถ้าเราแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นเสียให้หญ้าหรือทางมะพร้าวเหล่านั้นกระจายออกจากกันไปไม้กวาดก็จะหายวับไปกับตานี้คืออนัตตาของไม้กวาดใบตองกล้วย 2-3 สแผ่นเจียนให้มนเสียหน่อยพับมุมเข้าเอาไม้กลัดกลัดเข้าสี่มุมเราเรียกว่ากระทง แต่ถ้าชักไม้กลัดออกเสียกระทงก็หายไปเหลือแต่ใบตองกับไม้กลัดนี้คืออนัตตาของกระทงเมื่อดูอนัตตาของฉลอมไม้กวาดและกระทงแล้วย้อนกลับมาดูอนัตตาที่ตัวเองก็จะเห็นได้ไม่ยากนักตัวคนแต่ละคนนี้ดูให้ดีแล้วมีสมมติหุ้มอยู่หลายชั้นเขาสมมติว่าเป็นทหาร สมมติว่าเป็นตำรวจสมมติว่าเป็นพลเรือนสมมติว่าเป็นในร้อยในพันในพลสมมติว่าเป็นขุนหลวงพระพระยาสมมติว่าเป็นพระมหาพระครูสมุปใบดีกาเจ้าฟ้าเจ้าคุณเรื่องเหล่านี้เราสมมติกันขึ้นทั้งนั้นทอดจากคนนี้ เอาสวมคนนี้ทอจะคนนี้เอาไปสวมคนโน้นพอให้รู้ว่าใครเป็นใครเท่านั้นเองไปๆหน่อยเขาก็เลิกถ้าไม่เลิกที่บ้านก็ต้องไปเลิกที่วัดถ้าไม่เลิกหน้าวัดก็ต้องไปเลิกหลังวัดเพราะเป็นเรื่องสมมติชั่วคราวแต่ครั้นสมมติการนานๆเข้าก็ชักจะเผลอยึดถือเอาเป็นจริงเป็นจัง ในคนคนเดียวกันนั่นเองเอาสมมติหุ้มเข้าหลายๆชั้นก็ดูโตขึ้นเรื่อยอย่างที่เขาเล่ากันนั่นแหละท่านคำนันไปรับตราตั้งเป็นขุนที่อำเภอเพราะกลับถึงบ้านหาที่นั่งไม่ได้เพราะเผลอไปว่าตัวเองไม่ใช่คนเก่าเสียแล้วเป็นขุนแล้วนี่จะไปนั่งพิงเสาเหมือนอย่างก่อนได้อย่างไร ถึงเวลากินข้าวก็เข้าร่วมวงกับลูกกับเมียไม่ได้ต้องยกสำรับเฉพาะเผลอไปถนัดนึกว่าขุนไม่ใช่คนธรรมดาไปรู้สึกตัวเ น, น่นอีตอนเข้านอนเขากางมุ้งให้ท่านขุนนอนคนเดียวลูกเมียเขาหนีไปนอนที่อื่นหมดเรื่องสมมตินี้เราต้องยอมรับสมมติของคนอื่นเขาเพราะเป็นสัจจคของโลก ซึ่งเรียกว่าสมมติสัจจะไปเที่ยวล่วงเกินสมมติของคนอื่นไม่ได้ผิดผมเองเดิมเขาสมมติว่าไอ้แกลต่อมาได้รับสมมติเพิ่มเข้าไปอีกตั้งหลายชั้นเป็นคุณปินสามเณรปินพระภิกษุปินพระมหาปินนายปินร้อยตรีร้อยโท ร, ร้อยเอกจนกระทั่ง แผนเอกปิน่นและตอนหลังๆนี้ยังมีพักพวกมาเติมสมมุติให้เป็นอาจารย์ปิน่นเสียอีกด้วยรวมความว่ามีทั้งสมมุติราสมมติหลวงซับซ้อนกันอยู่ตั้งเยอะแยะแล้วสมมติเดิมคือไอ้แกลกก็ยังอยู่แต่มันอยู่ลึกมากถ้าใครจู่ๆมาเรียกผมว่าไอ้แกลก็ชักยุ่งเหมือนกัน เล่นฉีกสมมติผมรวดเร็วตั้งมากมายหลายชั้นไม่เจ็บก็ทนไม่ไหวถึงท่านเองก็เถอะแก่รุ่นคุณตาคุณยายแล้วลองโดนใครเรียกไอ้หนูออหนูเข้าบา้าก็ชอบกลนเหมือนกันซึ่งความจริงก็เคยถูกสมมติให้เป็นไอ้หนูอีหนูมาแล้วเพราะฉะนั้นการล่วงเกินในสมมติขอคนอื่นจึงถือว่าผิดธรรม หรืออย่างน้อยก็ผิดมารยาทแต่สำหรับตัวเองต้องไม่เผลอคือไม่ตื่นสมมติของตัวเองไม่เมาสมมติของตัวแยกตัวกับสมมติออกจากกันไว้เหมือนเรารู้ว่าเสื้อกางเกงกับตัวเรามันเพียงอาศัยกันเท่านั้นไม่ใช่ของอย่างเดียวกันวิธีปฏิบัติที่จะไม่ให้ตัวเองเมาสมมติที่ได้ผลอย่างหนึ่งคือ พยายามเรียกชื่อเดิมของตัวไว้เสมอเรียกเหมือนนอนแหละครับตอนที่เรายังแก้ผ้าวิ่งจับตะกะแตนอยู่โนอนชื่อเดิมจริงๆที่พ่อแม่ตั้งให้ว่าอย่างไรเรียกชื่อนั้นแหละถ้าจะติดยศให้ก็หน่อยก็ให้เอายศเดิมในครั้งนั้นนำหน้าชื่อพูดอย่างตรงไปตรงมาดีกว่ายศเดิมของเราจริงก็คือ ไอ้ใส่หน้าชื่อของเราเองเลยครับเรียกตัวเองในใจวัละสิบหลก็ได้ใครจะมารู้แกเมาสมมติดีนะักเรื่องสมมุตินี่ถ้าเราลองเล่นบ่อยๆรับรองว่าไม่เมาแน่และวิธีนี้ถ้าพูดให้เข้าวัดเข้าวาสักหน่อยก็คือการพิจารณาสมบัติโดยความเป็นอนัตตานั่นเอง คือเห็นสมมติว่าเป็นเพียงสมมติไม่ใช่เราปฏิบัติเพียงเท่านี้เราก็จะแคล้วคล่าจากการกระทบของคนอื่นได้มากทีเดียวเกือบจะเดือนทั้งเดือนใครกระทบเราไม่ถูกเลยก็ได้สบายใจทั้งเดือนคนเราที่ถูกกระทบหน้ากระทบหลังหัวหมุนวันอย่างคำเพราะเราเอาสมมติออกรับเสียแหละมากยิ่งการสมมติกว้างใหญ่เท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเรื่องกระทบมากเดินไปใครเขาเฉยๆไม่ได้ทำความเคารพก็คิดว่าน้อยไม่เคารพท่านไปหาใครเขาไม่รับรองกุลีกุจอก็คิดว่าน้อยไม่รับรองท่านยิ่งถ้าไปโดนใครเขาเล่นงานเอาบ้างก็ยิ่งคิดมากน้อยมันทำท่าน รู้สึกเจ็บใจเข้าไปถึงหัวใจทีเดียวแต่ถ้าเราเลิกการสมมติเสียบ้างก็จะคล้าวคลาดจากเรื่องที่ว่านี้ได้ถ้าเลิกไม่ได้ตลอดก็เลิกเป็นบางคราวเช่นจ อ, อกไปเดินตามถนนก็เก็บสมมติใส่กระเป๋าไว้เสียทีหนึ่งจะขึ้นรถเมล์ก็เก็บเสียทีหนึ่งอย่างนี้ก็ยังดีกว่าการสมมติทั้งวันลองทำดูบ้างครับ ถ้าท่านผู้ใดรู้สึกว่าคราไม่ดีมีคนทำกระทบบ่อยๆทำแล้วจึงจะรู้ว่าได้ผลแม้เขาจะด่าก็ไม่เห็นคําด่าคาไหนที่จะถูกเราอย่างมากก็ถูกแต่สมมติเขาด่าสมมติต่างหากไม่ได้ด่าเราอย่าเผลอไปนึกว่าสมมติเป็นเราก็แล้วกันดูหนัตาชั้นในเข้าใหมา่ครับร่างกายที่เราคล้องอยู่นี้ เราเนึกว่ามันเป็นเราแต่ความจริงมันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราผมก็เป็นอนัตตาฟันก็เป็นอนัตตาต า, ตาหูปากคางไหล่หลังอนัตตาทั้งนั้นอะไรเล่าที่บอกว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราก็คือเราห้ามมันไม่อยู่คู่มันไม่กลัวนั่นเอง ห้ามผมไม่ให้มันหงอกมันก็ไม่ฟังถึงเวลามันจะหงอกมันก็หงอกของมันขู่ฟันไม่ให้มันโยกมันก็โยกต่อให้เราเป็นรัฐมนตรีคู่มันมันก็ไม่กลัวอ่อนวอนหนังไม่ให้มันย่นหนังมันจะเห็นใจสักนิดก็เปล่าถึงเวลามันก็หย่อนยานไปตามเรื่องของมันอาการเหล่านี้แหละ ที่แสดงว่าเรากับมันไม่ใช่ของกันและกันมันก็มันเราก็เราเราเองต่างหากไปหลงคิดเอาว่ามันคือเราพอใครเขาว่าหัวล้านก็โกรธใครเขาว่าตาเลก็โกรธใครเขาว่าฟันหลอก็โกรธใครเขาว่าหลังโกงก็โกรธเอามาเจ็บใจ นึกว่าเขาว่าเรากินไม่ได้นอนไม่หลับก็สมน้ำหน้าแล้วนี่แหละคนรักเขาข้างเดียวเคราะร้ายทุกคนนั่นแหละถ้าฝึกดูนะัตตาไว้พอสมควรแล้วก็จะพอมีสติคือรู้ทันว่าที่เขาว่าว่านั้นเขาว่าผมว่าฟันตั้งหากไม่มีคําด่าใดถูกเราเลย ยิ่งถ้าดูอนัตตาให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกยิ่งสะเทือนน้อยคือดูจนกระทั่งว่าร่างกายนี้คือโครงกระดูกฉากด้วยเนื้อและเลือดหุ้มด้วยแผ่นหนังประดับด้วยเส้นขนบรรจุด้วยตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่บ่นด้วยตัวพยาธน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนแยกส่วนประกอบตัวออกดูอย่างนี้แล้ว ก็คิดดูสิว่าไอ้ที่เขาทากระทบเรานั้นเขากระทบตรงไหนสมมติว่าเราชื่อตึงถ้าเขาว่ากระทบเราว่าไอ้ตึงบ้าก็ลองคิดดูว่าสอบดูว่าเขาว่าตรงไหนของตึงอะไรของตึงบ้าตัวพยาติในท้องนะหรือบ้าอุจจาระคร้า ง, งท้องที่ยังไม่ได้ถ่ายนะหรือบ้าท่อนกระดูกน่ะหรือบ้า ขี้ใครนะหรือบ้าก็ไอ้พวกนั้นมันอนัตตาทั้งนั้นมันจะบ้าก็ช่างมันปะไลแล้วไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่ตึงสักหน่อยมันก็มันตึงก็ตึงตัวพยาธในท้องตึงบ้าก็ดีแล้วเราเกลียดมันอยู่แล้วถ้าอุจจาระบ้าก็เป็นรายไปพรุ่งนี้ก็ถ่ายทิ้งแล้วนี่แหละครับอนัตตาแบบชาวบ้าน ท่านนักธรรมะอ่านแล้วคงจะคันปากหาว่าผมเอาธรรมะมาพูดให้เป็นหญ้าปากคลอกไปหมดผมก็ไม่ว่ารู้เหมือนกันว่าอนัตตาในชั้นสูงวิปัสสนาญาณต้องละเอียดกว่านี้แต่นี่เราพูดอนัตตาตรงหัวกระไดบ้านไม่ใช่อนัตตาในโบสแต่ว่าผมว่าอนัตตาย่าปากคลอกอย่างนี้ มันก็ช่วยรักษาความสงบใจได้ก็เอาเถอะแม้จะนั่งหลับตาภาวนาอนัตตาหลังขดหลังแข็งหรือท่องหลักอนัตตาปากเปียกปากแฉะพอโดนใครเขาแย่เอาหน่อยว่าไม่ได้ความก็ดินพราาพราดถึงกับพิมพ์หนังสือตีกันหรือถูกลดอำนาจเข้าบ้างก็ร้องลั่นวิหารอย่างนั้นจะมีประโยชน์อะไร